นามรูปมีวิญญาณเป็นปัจจัยโดยเหตุที่ปฏิสนธิวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเจตสิกต่างๆเช่นการกระทบอารมณ์ความรู้สึกความจำได้หมายรู้ความตั้งใจความใส่ใจเป็นต้นเกิดขึ้นพร้อมกับรูปก ร, ราบสามกลุ่มหรือรูปส0สบอย่าง หลังจากปฏิสนธิจิตดับลงแล้วจิตที่เกิดต่อมาจะมีเจตสิกเกิดขึ้นร่วมด้วยทุกขณะโดยมีรูปที่เกิดจากจิตรูปที่เกิดจากกรรมรูปที่เกิดจากอุตุและรูปที่เกิดจากอาหารเกิดขึ้นพร้อมกันจิตและเจตสิกมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด เมื่อจิตเกิดขึ้นแล้วเราก็จะมีความรู้สึกจำได้พอใจไม่พอใจมีความเชื่อมั่นและเลื่อมใสเป็นต้นนอกจากนี้สภาวะธรรมทางกายยังมีจิตเป็นปัจจัยเช่นทำให้เรายืนนั่งหรือว่าไปที่ต่างๆหรือทำสิ่งต่างๆที่อยากจะทำเพราะอธิขถาจารได้กล่าวไว้ว่า ความจริงที่เห็นได้ชัดเหล่านี้สนับสนุนข้อความที่กล่าวว่าปฏิสนธิวิญญาณเป็นปัจใจให้เกิดรูปก ร, ราบสามกรุงหรือรูปส0สิบอย่างนั่นเองที่จริงการเกิดขึ้นของปฏิสนธิวิญญาณและรูปทั้งหลายในขณะปฏิสนธินั้นใช้เวลาเพียงเศษเสี้ยวของวินาทีเท่านั้นและด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเนือ้อหรือด้วยทิพยจักสุก็ตามทิพยจักสุนั้นอาจเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนตายหรือหลังจากการปฏิสนธิแต่ไม่สามารถเห็นจุติจิตหรือปฏิสนธิได้ผู้ที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสัพพัญญุตญาณเท่านั้น เราเพียงอนุมานรู้จากสิ่งที่เราได้รู้เห็นเกี่ยวกับเหตุปัจจัยของรูปนามว่าปฏิสนธิเป็นปัจจัยให้เกิดรูปในขณะปฏิสนธิรูปบางอย่างเกิดจากกรรมบางอย่างเกิดจากอุตตุบางอย่างเกิดจากอาหารหากปราศจากจิตรูปเหล่านี้ก็ปราศจากชีวิตเป็นเพียงซากศพที่ประกอบขึ้นจาก อุตุชาูปจิตจึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งทำให้รูปที่เกิดจากกรรมอุตุและอาหารเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมีกระแสจิตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายจนกระทั่งความตายเข้ามาขัดขวางตัดกระแสจิตให้ขาดสะบั้นลงเจตสิกและรูปจึงจะขาดจากความมีชีวิตดังนั้น จึงกล่าวว่านามรูปมีวิญญาณเป็นปัจจัยเนื่องจากสังขารกรรมดีและกรรมชั่วเป็นปัใจจัยให้เกิดกระแสของวิญญาณต่อเนื่องกันไปอย่างไม่ขาดสายในภพใหม่และวิญญาณก็เป็นปัใจจัยให้เกิดนามรูปอย่างต่อเนื่องเช่นกันอายุของนามรูปขึ้นอยู่กับอายุของจิตถ้าจิตมีอายุหนึ่งชั่วโมง นามรูปก็มีอายุหนึ่งชั่วโมงถ้ากระแสจิตไปเป็นอย่างอื่นต่อเนื่องถึงร้อยปีนามรูปก็มีอายุยืนร้อยปีดังนั้นเราจึงควรเข้าใจว่าชีวิตคือความสัมพันธ์เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องของนามรูปและวิญญาณ สรุปความที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นได้ว่าเอาวิชาเป็นปัจใจให้เกิดสังขารเนื่องเพราะความไม่รู้อริยศาสตร์สี่ทำให้คนทั้งหลายขวนขวายพยายามกระทำกรรมเพื่อให้ตนมีความสุขคนทั่วไปคิดว่าการได้รับสิ่งที่ปรารถนาจะทำให้มีความสุขแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่คงทนถาวรจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เนื่องจากบุคคลไม่รู้เหตุของทุกข์จึงคิดพูดและทำสิ่งต่างๆเพื่อหวังความสุขในภพนี้และภพหน้าการทํากรรมต่างๆสมผลให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณในทุขติภูมิหรือสุขติภูมิปฏิสนธิวิญญาณเป็นปัใจจัยให้เกิดกระแสจิตที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งตาย และคุณภาพของจิตขึ้นอยู่กับกรรมในภพก่อนร่างกายในภพใหม่ก็ขึ้นอยู่กับการปรุงแต่งของกรรมในภพก่อนรวมทั้งจิตอุตตุและอาหารจะเห็นได้ชัดว่าจิตเป็นปัจจัยแก่รูปเนื่องจากการกระทําที่เป็นกายกรรมและวจีกรรมทั้งหลายมีมูลเหตุมาจากจิตทั้งสิ้น ผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรเจริญสติด้วยการกำหนดรู้จิตตัชรูปจะต้องรู้เห็นรูปเหล่านั้นตามความเป็นจริงด้วยประสบการณ์ในการปฏิบัติของตนเองดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าเมื่อเดินภิกษุย่อมรู้ว่ากำลังเดินอยู่เมื่อยือนย่อมรู้ว่ากำลังยือนอยู่ ดังนี้เป็นต้นข้อความนี้อธิบายไว้ในคำพีอัตกถาว่าถ้าเราทราบด้วยประสบการณ์ของตนเองว่าจิตต์รูปเกิดขึ้นเพราะมีจิตเป็นปัจใจเราก็จะอนุมานรู้ได้ว่าปฏิสนธิวิญญาณเป็นปัจใจแก่กรรมชรูปในขณะปฏิสนธิดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ในปฏิจจสมุปบาทว่า วิญญาณปัจจยานามรู ป, ปังเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปผู้ปฏิบัติธรรมไม่สามารถรู้เห็นด้วยประสบการณ์ถึงการเกิดของปฏิสนธิจิตหรือจิตดวงอื่นๆในอดีตแต่จะรู้เห็นได้เพียงการทำงานของจิตในปัจจุบันขณะด้วยการระลึกรู้อย่างมีสติตลอดเวลา ถ้าตั้งจิตจดจ่ออยู่กับวิญญาณในปัจจุบันขณะจะสามารถรู้จักรูปนามได้ดีพอสมควรเพราะเมื่อกำหนดสภาวะเห็นในปัจจุบันขณะก็จะรู้ว่ามีจักขุวิญญาณเกิดขึ้นพร้อมทั้งรูปนามในที่นี้คำว่าจักขุวิญญาณมิได้หมายเฉพาะจักขุวิญญาณเท่านั้นแต่หมายถึงจักขุทวารวิถีทั้งหมด ผู้ปฏิบัติธรรมพึงกําหนดรู้วิถีจิตทั้งหมดไม่ใช่เพียงจิตดวงใดดวงหนึ่งโดยวิถีจิตย่อมปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนเป็นเพียงหน่วยเดียวการกําหนดรู้เช่นนี้คล้อยตามคำภีร์ปฏิสัมพิธามัตที่กล่าวว่าจิตที่รับรู้รูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปผู้ปฏิบัติธรรมรู้เห็นอารมณ์นั้นแล้ว ว่าดับไปย่อมตามรู้ความดับของวิปัสนาจิตนั้นกล่าวอีกนายหนึ่งคือเมื่อรูปมาปรากฏก็ย่อมมีจิตที่เห็นรูปแต่เมื่อจิตได้บรรลุถึงผวังคยานก็จะสามารถรู้เห็นความไม่เที่ยงของรูปและเมื่อจิตนั้นดับลงการดับของวิปัสนาจิต ก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาด้วยเหมือนกันวิปัสสนาจิตดังกล่าวไม่ใช่จิตดวงเดียวแต่ประกอบด้วยอวัชชะจิตและชวนาจิตอีกเจขณะเป็นอย่างน้อยเราไม่สามารถจะรู้เห็นจิตแปดขณะได้ทีละดวงจึงต้องรู้ทั้งวิถีในที่นี้จักขูวิญญาณหมายถึงจักขุทวานวิถีทั้งวิถี ทำหน้าที่เห็นรูปารมณ์และรวมถึงกรรมดีหรือกรรมชั่วที่เป็นแรงผลักดันอยู่ด้วยเมื่อจิตรับรู้รูปารมณ์ที่มากระทบก็ส่งผลให้มีการรับรู้เวทนาความรู้สึกดีไม่ดีหรือปานกลางสัญญาความจำรูปที่เห็นได้ผัสสะการกระทบอารมณ์มนาสิการ การใส่ใจให้เห็นรูปเจตนาความตั้งใจในการเห็นเป็นต้นนอกจากนั้นเพราะเมื่อรู้ถึงจกักขวิญญาณที่เห็นและเวทนาเป็นต้นแล้วก็ยังนับว่ารับรู้ไปถึงรูปทั้งร่างกายอันเป็นที่ตั้งของจิตอีกด้วยตามในนินามรูปมีได้เพราะวิญญาณในขณะเห็น ผู้ปฏิบัติธรรมที่เฝ้ากำหนดรู้รูปนามภายในของตนอยู่เสมอย่อมจะรู้ว่าเมื่อไรที่พูดหรือเคลื่อนไหวก็เป็นเพราะมีเจตนาชักนำทั้งสิ้นตัวอย่างเช่นในขณะที่กำลังเจริญสติอยู่เรารู้สึกคันและอยากให้หายเราจะระลึกรู้ได้ถึงความอยากที่เกิดขึ้น และรู้สึกเหมือนมีอะไรมากระตุ้นให้เกาเพื่อให้หายคันสิ่งกระตุ้นนั้นคือเจตนาที่อยู่เบื้องหลังความต้องการนั้นและในการทำพูดหรือคิดในชีวิตประจาวันของเราล้วนประกอบด้วยเจตนาเป็นแรงผลักดันทั้งสิน้นอันหนึ่งเจตนาเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดเมื่อถึงมโนทวารวิถีแล้วเช่น ในตอนกลางคืนเรานึกถึงสิ่งที่ต้องทําในวันพรุ่งนี้สิ่งที่กระตุ้นให้เรานึกคิดเรื่องเหล่านี้ก็คือเจตนาซึ่งส่งผลให้เราทําพูดหรือคิดสิ่งที่จำเป็นต้องทําสภาวะทมได้ยินรู้กลิ่นเล้มรสและกระทบสัมผัสก็ทำนองเดียวกันการรับรู้จิตในขณะได้ยินเป็นต้น หมายถึงการรับรู้นามและรูปที่ประกอบร่วมกันเพราะเมื่อรู้ถึงโสตวิญญาณที่ได้ยินและเวทนาเป็นต้นแล้วก็นับว่ารับรู้ไปถึงรูปทั้งร่างกายอันเป็นที่ตั้งของจิตอีกด้วยดังนั้นนามรูปจึงมีได้เพราะวิญญาณในขณะได้ยิน เราโดยสรุปถ้าหากเรารู้จักสภาวะธรรมการเห็นด้วยการกำหนดรู้อย่างมีสติเราจะรู้นามขันจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นเพราะการเห็นและรูปที่ประกอบอยู่ในร่างกายเป็นพื้นฐานของการเห็นดังพระพุทธดำรัสว่าวิญญาณปัจจยานามะรูปังเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป เมื่อเฝ้าดูจิตในขณะคิดเราจะรับรู้นามรูปที่ประกอบร่วมกันกับวิญญาณ น, นั้นเช่นเมื่อระลึกรู้จิตที่เกิดความสมนัเราจะรับรู้สมนัตเวทนาหรือถ้าเป็นจิตที่เกิดความโทมนัสเราจะรับรู้โทมนัสเวทนาหรือถ้าเป็นจิตสามัญทั่วไปที่วางเฉยก็จะรับรู้อุเบขาเวทนา เวลาที่พยายามท่องจำข้อความหนึ่งให้ขึ้นใจเราจะรับรู้สัญญาเมื่อระลึกรู้ความตั้งใจจะทำหรือพูดจะได้รับรู้เจตนาหากระลึกรู้ความอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะรับรู้โลภะแต่ถ้าระลึกรู้ความไม่พอใจก็จะได้รับรู้โทสะ เมื่อไรมีความเห็นว่ามีตัวตนที่คงทนถาวรและเป็นสุขก็จะรับรู้โมหะและถ้ารู้ตัวว่าไม่มีความอยากได้ก็จะรับรู้อโลภะการรู้ถึงสภาวะธรรมเหล่านี้ก็จะทำให้เราได้รู้เห็นว่าวิญญาณจิตเป็นเหตุให้เกิดนามธรรมามีเวทนาเป็นต้นนอกจากนั้น เวลามีความตั้งใจจะทําหรือพูดก็จะมีการกระทําทางกายหรือทางวาจาตามมาการรับรู้ก็เช่นนี้ทําให้เราได้รู้เห็นวิญญาณจิตเป็นเหตุให้เกิดรูปต่างๆในกายของเราด้วยเหตุนี้วิญญาณจิตจึงเป็นเหตุให้เกิดนามรูปตามที่กล่าวไว้ข้างต้นแม้วิญญาณจิตจะเป็นเหตุให้เกิดนามรูป แต่นามรูปก็เป็นเหตุให้เกิดวิญญาณจิตได้เช่นเดียวกันทั้งสองอย่างนี้เป็นปัจจัยแก่กันและกันนามรูปนั้นเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณโดยความเป็นสหาชาตบปัจจัยมีการเกิดขึ้นร่วมกันและโดยความเป็นนิสยปปัจจัยเป็นที่อาศัยเป็นต้นเพราะเจตสิกต้องเกิดร่วมกับจิตตลอดเวลา และรูปก็เป็นที่อาศัยเกิดขึ้นของนามคือจิตและเจตสิกวิญญาณจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยตามสมควรและไม่มีกองรูปเป็นที่อาศัยเกิดพระพุทธองค์ตรัสไว้ในมหาปทานสูตรว่า พระโพธิสัตว์ได้พิจารณาหลักปฏิจจสมุปบาทอย่างไรก่อนบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ทรงอย่างรู้ว่านามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานและภพเกิดต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นผลกันเหมือนลูกโซ่ซึ่งนำพาไปสู่ชรามรณะหลังจากนั้นจึงทรงอย่างรู้ว่า นามรูปมีวิญญาณเป็นปัจจัยปรุงแต่งและวิญญาณก็มีนามรูปเป็นปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเช่นกันในพระสูตรนั้นได้กล่าวไว้ว่าการเป็นปัจจัยแก่กันและกันของวิญญาณและนามรูปเป็นการตรัสรู้ของพระวิปัสสีโพธิสัตว์แต่เราควรเข้าใจว่าการตรัสรู้ของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ ย่อมเป็นไปอย่างนี้ทั้งสิ้นแม้ว่าวิญญาณและนามรูปจะเป็นสภาวะที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่โดยความเป็นเหตุเป็นผลกันแต่วิญญาณเป็นสภาวะที่เป็นประธานมากกว่านามคือเจตสิกและกองรูปดังนั้นจึงตรัสว่าสังขารเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณและวิญญาณเป็นปัใจจัยให้เกิดนามรูป สังขารับปัจจยาวิญญาณังเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามะรูปังเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปความจริงแล้วเมื่อวิญญาณเกิดขึ้นเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยเจตสิกและกองรูปที่เป็นผลจากสังขารก็เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าวิญญาณและนามรูปเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะปฏิสนธินอกจากนั้นสลายตนะอัยตนะหกคือฐานที่เกิดของอารมณ์หกแห่งผัสสะการกระทบอารมณ์และเวทนาความรู้สึกก็เกิดพร้อมกับวิญญาณและนามรูปแต่ในผลห้าอย่างคือ วิญญาณ น, นามรูปอายตนะผัสสะและเวทนาเหล่านี้วิญญาณเป็นปัจจัยหลักให้เกิดนามรูปและนามรูปก็เป็นปัจจัยหลักให้เกิดสลายตนะเป็นต้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปเป็นต้นเพื่อแสดงเหตุหลักที่ทำให้เกิดผลอย่างชาัดเจน เช่นเดียวกับคาถาในคำพีธรรมบทที่กล่าวว่าทมทั้งหลายคือเจตสิกมีใจเป็นผู้นำมีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจหากบุคคลพูดหรือกระทําด้วยใจที่ชั่วความทุกข์ย่อมติดตามเข้าไปประดุดดังล้ อ, อกเกวียนย่อมหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากไปฉะนั้นดังนั้นถึงแม้จิตและเจตสิก จะเกิดขึ้นพร้อมกันแต่เนื่องจากจิตเป็นประธานจึงกล่าวว่าจิตเป็นผู้นำของเจตสิกถ้าบุคคลมีจิตชั่วเขาย่อมทำชั่วกล่าววาจาชั่วและคิดชั่วกรรมทั้งสามอย่างนี้คือสังขารที่มีวิชาเป็นปัจจัยการกระทำต่างๆสามารถนำพาให้เกิดผลกรรมเพราะ การประกอบกรรมแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นการทำพูดหรือคิดจะมีวิถีจิตซึ่งประกอบด้วยชวนะเจ็ดขณะขึ้นหลายวิถีในชวนะจิตเจ็ดดวงนี้ชวนะดวงแรกจะให้ผลในชาติปัจจุบันหากไม่มีโอกาสให้ผลก็จะตกไปเป็นโอโหสิกรรมคือไม่ให้ผลอีก ชวานาตดวงสุดท้ายจะให้ผลในภพถัดไปโดยทําให้เกิดอารมณ์ก่อนตายที่เป็นกรรมกรรมนิมิตรหรือคตินิมิตซึ่งจะส่งผลให้เกิดในภพต่อไปหากชวานาตดวงที่เจ็ไม่มีโอกาสให้ผลก็ตกไปเป็นอโหสิกรรมส่วนชวานาจิต ด, ดวงที่สองถึงดวงที่6จะให้ผลในภพที่สาม จนถึงพบสุดท้ายหากบุคคลนั้นได้บรรลุพระนิพพานจึงจะตกไปเป็นอโหสิกรรมไม่ส่งผลให้เกิดอีกก่อนที่บุคคลจะบรรลุพระนิพพานชวนาจิตดวงที่สองถึงดวงที่หจะรอให้ผลในทุกๆุกชาติหากโอกาสอำนวยก็จะส่งผลทันทีกรรมชั่วจะส่งผลเป็นความทุกข์ทั้งทางกายและทางใจในทุกคติภูมิ ถึงแม้ได้เกิดในโลกมนุษย์กรรมชั่วก็จะตามมาให้ผลให้ได้รับความทุกข์ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอย่างไรชีวิตของทุกคนเหมือนผู้ที่ขี่ม้าขาวเดินทางอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็มีหมาดํำคอยติดตามมาใกล้ๆถ้าเรามัวแต่ชมทิวทัศน์เพลินอยู่ก็อาจถูกหมาดําติดตามทันแล้วกัดทั้งม้าและคนดังนั้น เราจึงไม่ควรประมาทในชีวิตที่กําลังดำเนินไปอยู่ชีวิตนี้แม้จะดำเนินไปได้อยู่ทุกขณะแต่ก็หมดสิ้นไปในทุกๆขณะเช่นเดียวกันเหมือนรถที่วิ่งไปข้างหน้าพร้อมกับน้ำมันรถก็หมดไปในทุกๆวินาที เรื่องพระจักคูบาลคาถาธรรมบทที่ได้กล่าวถึงข้างต้นเป็นคาถาที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเกี่ยวกับพระจักคูบาลในอดีตชาติท่านได้เกิดเป็นจักสุแพทย์รักษาหญิงตาบอดคนหนึ่งจนสามารถมองเห็นได้เป็นปกติหญิงนั้นสัญญาว่าจะยอมเป็นทาสรับใช้หากมองเห็นได้อีก แต่เมื่อหายดีแล้วกลับไม่ทำตามสัญญาซ้ำโกโหกว่าสายตาของตนยิ่งเลวลงกว่าเดิมหมอตารู้ทันเล่เหลี่ยมจึงให้ยาอีกขนาดหนึ่งซึ่งหย่อตาแล้วทำให้ตาบอดสนิทกรรมชั่วนั้นได้ส่งผลให้ท่านต้องได้รับทุกหลายภพหลายชาติและในชาติสุดท้ายได้เกิดเป็นพระจักขูบาล เมื่อรับกรรมฐานจากพระพุทธองค์แล้วได้ไปบำเพ็ญสมณธรรมร่วมกับภิกษุอีก60สรูปในป่าท่านมีวิริยะมากได้สมทานปฏิบัติธรรมด้วยอิรยาบถสามเท่านั้นคือเดินยืนนั่งโดยไม่นอนไม่นานท่านก็ป่วยด้วยโรคตาจากสุภแพได้ถวายยาซึ่งต้องนอนหยอดถึงจะได้ผล แต่พระจักคุบานเถระไม่ยอมนอนเพื่อหยอดยาโรคจึงไม่หายจักสุแพทย์เมื่อทราบเรื่องจึงไม่ยอมให้การรักษาอีกต่อไปฝ่ายพระจักคุบานทราบว่าท่านจะต้องตายอย่างแน่นอนจึงมุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณและเวลาสองยามของคืนนั้นท่านก็ได้บรรลุธรรม เป็นพระอาหารหันต์พร้อมกับดวงตาที่บอดสนิทบทเรียนอีกประการหนึ่งของเรื่องพระจักขูบาล น, นี้สืบเนื่องมาจากท่านเป็นภิกษุที่มีวิริยะสูงจึงยังคงปฏิบัติธรรมแม้จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ตามในขณะที่ท่านเดินจงกรมอยู่นั้นท่านได้บังเอิญเหยียบมแมลงเม่าตายไปเป็นจำนวนมาก เมื่อภิกษุนำเรื่องนี้ไปกราบบังคมทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบ พ, พระองค์ก็ได้ตรัสว่าพระเถระเป็นพระอาหารหันต์จึงไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าสัตว์มีชีวิตดังนั้นการกระทำของท่านจึงไม่เป็นบาปที่จะส่งผลกรรมอีกต่อไปด้วยเหตุนี้จึงควรเข้าใจว่าการทำให้สัตว์ตายโดยไม่เจตนาฆ่า ไม่จัดเป็นบาปและร่างกายของพระอรหันต์ที่ไม่มีอิทธิฤทธิย่อมมีน้ำหนักและสามารถเหยียบตัวมแมลงให้ตายได้แม้พระอรหันต์นั้นจะสามารถเหาะได้ก็คงไม่ใช่อิทธิฤทธิในขณะเดินจงกรมพุทธศาสนิกชนบางคนกังวลว่าศีลของตนจะด่างพร้อยเมื่อต้มผักหรือดื่มน้ำที่มีสัตว์เล็ก พวกจุลชีพอาศัยอยู่ในเรื่องนี้ก็ควรพยายามกำจัดสัตว์ที่สามารถมองเห็นได้ออกให้หมดแต่ไม่จำเป็นต้องกังวลกับจุลชีพจุลินทรีย์ที่บังเอิญปะปนในน้ำกล่าวกันว่าสาวกของลัทธิเชนรู้สึกผิดเมื่อตัวมแมลงบินเข้าไปตายในไฟตะเกียงที่จุดไว้ข้อนี้เป็นความเห็นที่เร่งตึงจนเกินไป ควรต้องพิจารณาถึงเจตนาเป็นหลักว่าการทำกรรมนั้นประกอบด้วยเจตนาหรือไม่ดังเช่นเรื่องคำตัดสินของพระโมคคะลีบุตรติสสะอันจะได้สาธยายในลำดับต่อไปเรื่องคำตัดสินของพระโมคคลีบุตรติสสะ ในรัชสมัยของพระเจ้าอาโศกมหาราชพระองค์ได้ท่งอุปถรัรมภ์พระพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่เป็นเหตุให้เหล่าเดียร์ลตีนอกศาสนาเข้ามาปลอมบวชทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งหวังลาบสการะซึ่งมีเป็นจำนวนมากพระภิกษุที่แท้จริงไม่ยอมทำสังฆกรรมร่วมกับภิกษุปลอมส่งผลให้ไม่มีการทำอุโบสถที่วัดอโศการาม ในเมืองปตาตลีบุตรเป็นเวลานา น, านถึงเจ็ดปีเมื่อความทราบถึงพระเจ้าอาโศจึงตรัสสั่งให้เสนาบดีคนหนึ่งไปจัดการให้พระภิกษุกลับมาทำอุโบสถกรรมดังเดิมหมู่ภิกษุเหล่านั้นปฏิเสธโดยกล่าวว่าการทำอุโบสถจะต้องกระทาร่วมกันเป็นหมู่ภิกษุสงฆ์ที่มีศีลบริสุทธิ์เท่านั้น มิฉนั้นแล้วจะเป็นการผิดวินัยร้ายแรงดังนั้นจึงไม่ยอมทำอุโบสถตราบที่ยังมีภิกษุปลอมอยู่ในหมู่สง์เสนาบดีนั้นเห็นว่าคำตอบนั้นเป็นการขัดราชองค์การของพระเจ้าแผ่นดินจึงสั่งให้ประหารภิกษุทั้งหมดมีเพียงพระติดสเทระพระนิธภาดาของพระเจ้าอาโศกที่รอดคมดาบมาได้ พระเสนาบดีจำพระเถระได้ทันท่วงทีเมื่อพระเจ้าอโศกทรงทราบก็ทรงตกพระทัยมากได้ตรัสถามพระโมคคะลีบุตรติสฐ์ว่าพระองค์จะได้รับผลบาปจากการฆ่าภิกษุหรือไม่พระเถระจึงทูลถามพระเจ้าอโศกว่าพระองค์มีพระประสงค์สั่งให้ประหารภิกษุเหล่านั้นหรือไม่พระเจ้าอโศกตรัสตอบว่า ไม่ได้ทรงมีพระประสงค์เช่นนั้นเลยพระเทระจึงกล่าวตอบว่าถ้าเช่นนั้นบาปในการฆ่าพระภิกษุก็ไม่ตกแก่พระองค์คำวินิจฉัยของพระเทระมีความคร้อยตามพระพุทธดารัสว่าเรากล่าวว่าเจตนาความจงใจในการกระทําเป็นกรรมพระเทระยังอ้างถึงติฏฐิราชาดก ซึ่งเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ครั้งเสวยพระชาติเป็นฤาษีเพื่อแสดงให้เห็นว่าเจตนาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดกรรมและผลของกรรมเรื่องพระจักคุบานเทระยังแสดงให้เห็นว่าพระอรหันต์ที่ไม่มีอิทธิฤทธิ์ย่อมมีกายหนักเยี่ยงปุตุชนทั่วไปเห็นได้จากการที่ตัวมแมลงได้ถูกพระเทระเห ย, ยบตายในช่วงสิบ้าปีที่ผ่านมานี้ ประเทศพมา่าได้มีพระที่เชื่อกันว่าได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หลายรูปมีผู้มาเล่าว่าอุบาสิกาบางคนมีวิธีทดสอบด้วยการให้พระใช้เท้าเหยียบดอกไม้หรือมือของตนหากดอกไม้ไม่ช้ำหรือมือไม่เจ็บก็แสดงว่าภิกษุนี้เป็นพระอรหันต์แต่พระอรหันต์บางรูปที่ไม่ได้สำเร็จฌานอภิญญา หรือไม่ประสงค์จะใช้อภิน ญ, ญาก็จะไม่สามารถเหลีเล่เกลียงการเหยียบดอกไม้ให้ช้ำหรือการทำให้มือเจ็บได้วิธีพิสูจน์ที่น่าเชื่อถือกว่านั้นคือการสังเกตว่าบุคคลที่เชื่อกันว่าเป็นพระอาหารหันนั้นยังมีตัณหาความยินดีในอารมณ์ที่น่าพอใจความยึดมั่นความโกรธความหดหู่ความกลัวความกังวลความกระวนกระวาย และยังพอใจที่จะกล่าวร้ายผู้อื่นหัวเราะเสียงดังกล่าวลบปลูกคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นอยู่หรือไม่ถ้ายังมีพฤติกรรมตามที่กล่าวมานี้อยู่ก็แสดงว่ายังไม่หลุดพ้นจากความโลภโกรธหลงแต่ถ้าหากตรวจสอบดูแล้วไม่ปรากฏว่ามีความย่อหย่อนในเรื่องเหล่านี้คงพอเชื่อได้ว่ามีคุณสมบัติที่น่าสรรเสริญ ของพระอาหารหันต์หรืออย่างน้อยก็มีคุณสมบัติของพระอริยบุคคลที่ใกล้จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ความคิดที่บริสุทธิกับความสุขความคิดที่บริสุทธิ์ย่อมให้ผลเป็นความสุขผู้ที่คิดพูดและทำด้วยจิตบริสุทธ จะเป็นการสั่งสมกุศลกรรมสังขารกรรมดีย่อมให้ผลเป็นความสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าดังเช่นเรื่องของมัทธกุนรีมัทธกุนรีเป็นมน บ, บุตรของพรามที่ตรหนีมากแม้จะร่ำรวยแต่ไม่เคยให้ทานต่อมาเมื่อมัทักุนลีล้มป่วยลงพรามผู้บิดาก็ปล่อยให้เขาไว้ตามยถากรรม เพราะไม่อยากเสียเงินไปตามหมอมารักษาการป่วยจึงสุดหนักลมพราหมณ์ได้ยกบุตรออกมานอนนอกบ้านเพื่อไม่ให้คนที่มาเยี่ยมเห็นทรัพย์สมบัติของตนในวันนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเล็งเห็นอุปนิสัยของมัถฐกุลนารีด้วยพุทธจักษุและทรงทราบว่าเป็นประโยชน์อันมากจะเกิดแก่มหาชนหากมัถฐกุลธลีได้เห็นพระองค์ และทำจิตให้เลื่อมสก่อนเสียชีวิตดังนั้นในเวลาเช้าพระพุทธองค์จึงเสด็จออกบินธบาทแวดล้อมด้วยลาวภิกษุโดยผ่านบ้านพราหมณ์ที่มัถฐกุลทรีนอนป่วยอยู่เมื่อได้เห็นพระพุทธองค์มานบน้อยก็เกิดความเลื่อมสาศรัทธาอย่างท่วมทน้นหลังจากพระพุทธองค์เสด็จผ่านไปแล้วไม่นานเขาก็เสียชีวิตลง และไปปฏิสนธิเป็นเทพปบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อมัทกุลทลีเทพปบุตรได้พิจารณาทบทวนอดีตที่ผ่านมาก็ทราบว่าความเลื่อมใสศรัทธาที่ตนมีต่อพระพุทธองค์ได้ส่งผลให้บังเกิดในสวรรค์และเห็นบิดาที่กำลังเศร้าโศกในงานศพของตนดังนั้นเพื่อเตือนสติของบิดา จึงแปลงเป็นเด็กชายหน้าตาเหมือนมัตตะกุลตลีมาปรากฏตัวนั่งร้องไห้ยอยู่ที่ป่าช้าแห่งนั้นเมื่อพรามถามถึงสาเหตุที่ร้องไห้เด็กจึงตอบว่าเพราะต้องการร้อลรถที่ทำด้วยดวงจันทร์และดวงอาทิตย์สำหรับรถทองคำพรามได้ชี้แจงว่าความปรารถนานั้นไม่สามารถเป็นจริงได้ แต่เด็กชายก็แย้งว่าสิ่งที่เขาต้องการยังสามารถมองเห็นได้แต่พรามกลับเศร้าโศกถึงคนตายไปแล้วซึ่งไม่อาจมองเห็นได้และย้อนถามว่าใครกันแน่ที่เป็นคนโง่เมื่อพรามได้สติแล้วมัถกุลรีเทพบุตรจึงแสดงตนให้ทราบแล้วกล่าวว่าจิตที่เลื่อมใสในพระพุทธองค์ในขณะใกล้ตาย ได้ให้ประโยชน์แก่เขาอย่างไรหลังจากนั้นได้กำชับให้บิดาเข้าถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งและให้รักษาศีลห้าเป็นนิสพราหมณ์ได้อรรถนาพระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไปเสวยพัตฐารเชา้าที่บ้านในวันรุ่งขึ้นในที่นั้นมีทั้งพวกที่มีศรัทธาและพวกที่ไม่มีศรัทธา หลังจากทรง ร, รมพธธัฒกิจแล้วพรามจึงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีใครบ้างหรือไม่ที่ไม่เคยสดับพระธรรมไม่เคยถวายบิณฑบาตและไม่เคยรักษาอุโบสถเลยแต่ยังได้ไปเกิดในสวรรค์เพราะมีความเลื่อมใสในพระองค์เพียงอย่างเดียวพระพุทธองค์ตรัสตอบว่า บุคคลเช่นนั้นมีอยู่มากมายในโลกในขณะนั้นเองมัทธะกุลธารีเทพบุตรได้ปรากฏตัวแล้วกล่าวยืนยันว่าข้าพระองค์ได้ไปบังเกิดบนสวรรค์เพราะความเลื่อมใสในพระองค์ขณะใกล้ตายพระเจ้าค่าประชาชนทั้งหมดในที่นั้นมีความประทับใจมากเมื่อได้ทราบความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า เพียงอย่างเดียวได้ทำประโยชน์ใหญ่หลวงแก่มานพน้อยที่ไม่เคยได้ทำบุญกุศลอะไรอะไรมาก่อนพระพุทธองค์จึงได้ตรัสคาถาในคำพีธรรมบทมีข้อความว่าทำทั้งหลายคือเจตสิกมีใจเป็นผู้นำมีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจหากบุคคลพูดหรือทำด้วยใจที่ผ่องใส ความสุขย่อมติดตามตัวเขาเหมือนเงาติดตามตัวฉะนั้นในคำพีอัตถกถาของธรรมบทกราวไว้ว่าพรามและมัถกุลดรีเทพบุตรได้บรรลุเป็นพระโสดาบันหลังจากได้สะดับคาถาดังกล่าวและ ควรสังเกตด้วยว่ามัธฐกุลธารีไปบังเกิดในสวรรค์เพียงเพราะจิตที่เลื่อมสายในพระพุทธเจ้าเท่านั้นโดยไม่ได้หวังหรือปรารถนารันิพานแต่ประการใดแต่การเกิดใหม่ในเทวโลกของเขาเป็นปฏิสนธิที่ประกอบด้วยปัญญาต่อมาเมื่อได้ฟังคาถาพาสิทธิ์จากพระพุทธองค์ จึงได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันคาถาธรรมบทสองคาถานั้นเป็นการยืนยันคําสอนในหลักปฏิจจสมุปบาทว่าวิญญาณมีสังขารเป็นปัจจัยใจความสำคัญของคาถาสองบทนั้นคือความสุขและความทุกข์เกิดจากสังขารคือกรรมที่ปรุงแต่งสุขและทุกข์ย่อมเกิดพร้อมปฏิสนธิวิญญาณ ที่หมายรวมถึงเจตสิกที่เกิดรวมกับปฏิสนธิวิญญาณและรูปอันเป็นที่อาศัยเกิดของวิญญาณดังนั้นจึงสรุปได้ว่าวิญญาณเป็นปัใจจัยให้เกิดนามรูป